พูดคุยแลวเปลี่ยนกันเนาะเป็นนักปฏิบัติธรรมถึนไม่กีหรือนาตโยมที่อยู่วัดก็จะฟังก็ได้รือว่ามีธุระก็ไปทำธุระก็ได้ป็นไงบ้างในปฏิบัติคนเดียวอ แต่เองก่นก็ได้ก็วันนี้ก็ไปอีกกุดนที่ข้างใน่ะคืกลุดหกอ่ะจเจอในาก็ก็โอเคอะค่ะก็ก็ไม่ได้คือไม่ได้อยู่กับตัวเองแบบที่ที่ไม่โทรศัพท์ไม่ได้ชอีเมลหรือไม่ดกับเพื่อนรป็เวลานานขนาดนี้นาานนแบบมานานมากแล้วแล้วก็รู้สึกดีแต่บางช่วงก็จะแบบก็จะง่วงเลยอะ ก็จะง่วงอะก็มีเสืบ้าเลยอเงียแต่ง่วงอย ง, ง่วงทงทั้งที่เมื่อคืนก็อนอนเยอะีนะกรดหก ก, ก็เงียบสงบดีนะดูกดสุดท้ายก่อนเข้าป่า<อ>ที่จริงก็เป็นป่า<อ>ทั้งหมดเนะ<อ> <laughs> แต่ตอนนั้นเป็ น, นกรดไปก่อนเคยเป็นกดเดี๋ยวนี้มีแต่ห้องน้ำนะมีแต่ละมศาลาด้วยะ ท <c oughs> ี่กำเต็ที่กำเต็นอื่อนนะหนูังไงก็ไปนั่งนั่งวางเดิอมาอยู่ใต้ตุสของพาะไพสานคก็คือมันก็มีก็ทาไ้เลยบางครั้งก็รู้ตัวว่างบางครั้งก็ไม่รู้ตัวก็ปล่อยมันไปก็พยายามกับ ก็มีววางแล้วอก็มีแมวแมวก็มาแมวก็จะต่นตอนร้องเสียงอะไนะเวลาแมวร้องก้จะนุ่มคือแบนดนึงเลยนแมวดองกลับมารู้ตัวก็ดีดีได้ยินเสียงอะไรถ้าตกใจก็กลับมารู้ตัว แต่ก็จะรอแต่เสียงหรือว่ารอแต่แมวเตือนนะครับบางทีมันไม่รอบบ้ อ, นะอไงไว้นะโยงยังไ่้างก็เขาลุ้นะคะสติไม่ได้สอนให้เลยมันมักจะเขาก็เป็นนความคิดบางทีก็บางทีก็รู้ได้ช้าพอไปพอไปพอไปแช่ปุ๊บ สิ่งที่จะตามมันก็คือพระแชน่นานๆนก็จะแบบมันจะจะจะของ่วงก็จะคลืบคานเข้ขามาครอบงานแต่พอรู้ตัวก็คือโอเคว่าสร้างจังหวะแรงๆก็วันนี้เหมือนกับเ อ, อ่ออาการที่ที่เคยเป็นคือแบบมักจะมีโรคแบบปวดหัวปวดหัวนะคะคือมันเหมือนกับเจ็ดเวลาเราลองสั่นหัวแล้วนี้มันมันจะเจ็บ มันเจ็บแบบบีบอ่ะซึ่งมันหายไปนานแล้วแต่วันนี้มันมันเกิดขึ้นอีกหมือนมันกลับมาเองแล้วก็ตอนพราะบางทีมันมีอะไรที่แบบมันว่าจะมีคลอโมาแล้วอะไรลงโดยหลังคามันก็ดีนี้ทําให้เราแบบเตือนทําให้เตือนรู้แบบว่าสติมันก็กลับมาเออมันมาแบบอยู่กับตัวเองได้บ่อย็ปวหแล้เนไง ผิตใจข้างบนไหมก็ไม่ได้ก็ดูมันก็บำบัดไปตามอาการนะคะแล้วมันเป็นเยทนาอย่างนี้ก็ผิดก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนบอิดไม่ได้อะไรเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเออแต่แต่เพียงแต่ที่ว่าเอออาการนี้มันหายไปนานมากแล้วแต่วันนี้มันมันมันกลับมารู้สึกอย่างนั้นอีกอะืมนี่เป็นไรเนาะยามวันเป็นไง ก็ก็เป็นยังไงนะคได้อยู่กุฏิในป่าที่แบบไม่มีไม่เห็นใครปฏิบททัติกาอยานก็เป็อยู่ในกุฏิคนเดียวเพราเคยแต่ว่าก็ยังเห็นคน อ, อททื่นปฏิบัติอะไรกันก็เลยรู้สึกว่ามันแบบนเหมือนกับโหยโยนนี่เป็นของเราจริงสึกมีความมัมอิสระมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมีความสมงบโปร่งเอย่างเงี้ย แต่พอรู้สึกอนั้นปมันก็จะเห็นว่าอ่ะเราพอมือจะไปยืดแล้วเราพอมือหย่าที่จะอย่างนั้นก็จะวางอะไรอย่างนั้ น, นะะแล้ววันนี้ก็จะมีคือก็จะรู้สึกว่าถ้าโยมปฏิบตัติคือในความสมบงบโปร่งเทานีน้มันจะเกิดขึ้นค่อนข้างดีในช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงเช้าที่ยังไม่ได้ไม่ได้ถ่านทาช่วงเย็นที่ เยออาหารร้อนแบบแต่ช่วงที่ทานอาหารเขาไปช่วงเช้าหลังจากที่ทานข้าวเสร็จหรือว่าหลังเพลงมันรู้สึกมันจะกันเนยเพราะฉะนั้นเนี่มันการที่จะทําให้ใจมันโปร่งเรานี่ก็ลำบากอยู่ในการมันก็จะมีแบบง่วงฝุ่อะไรพวกนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็จะพยายามทำวันนี้ก็พยายามทําเหมือนที่พิพากษาเทียวเล่ยนะคะคือรู้ว่าง่วง แล้วท่าที่ทําห่ว ง, งก็คือถ้านั่งยกมือก้าวต่วัๆคือเดินตรงโคมเนี่ยเป็นเนืน้อหนวกว่าก็เลยยกก็เลยนั่งนั่งยกมือเลยแล้วก็คืออยู่กับความงา่วงคือเมื่อไหร่รู้ตัวอนะ่ะก็ตื่นรู้ตื่นเปิดตาขึ้นมาเมื่อไหล่รู้ตัวมันก็จะนกเข้าไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลับอะไรนะอย่างเงี้ยเป็นอนยะ่างเงี้ยอยู่กับเขาแต่ก็า ไ, ไม่ได้ไนมะ่ได้หยุดเหนืไม่ได้อา รถสักคั้งหนึ่งก็เขาตายก็รูสึกกลับมาตโต้ลุ้งคือไม่ได้ไใจว่าที่ไปเพราะว่าอาหารย่อยหนักร่างกายเรามันเบาขึ้นหรือว่าสเต็กมันกลับมาดีขึ้นอะไรต้องมีแต่ก็มีข้อสังเกตว่าเริงแล้วถ้ากายกายเราทํางานหนักเนี่ยใจการที่จะทำให้มันโตน้ลงเบาก็มันก็นปับหาเป็น ก็ลองดูสังเกตดูบางคนก็ก็ถ้าทานทานน้อยเนะจิตมันก็ร่างกายมันเบาจิตใจมันก็ก็เบาปล่อยออกตามไปด้วยแต่บางคนก็ไม่เกี่ยวบางคนก็อืบางคนก็จะทานมันไม่ทานก็ก็ก็หนักหนักแต่จริงมันก็มันสัมพันธ์กันแต่ก็สังเกตดูว่าแต่ทีนี้เราก็เลือกไม่ได้เนาะเราก็จําเป็นต้องทานก็ ตอนที่มันทานแล้วมันย่อยยังไม่หมดถ้ามันอาจจะรู้สึกว่าตัวไม่เบาใจไม่เบาก็ก็ยอมรับอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละไม่ไม่ต้องเป็นดิ้นรนอะไรก็ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างกายกับใจที่มันมันก็มีความสัมพันธ์กันแต่จริงบางครั้งมันก็เอาแน่นอนไม่ได้ก็ลองสังเกตดูว่าเราจะไปยึดว่ามันแบบนี้ตลอดก็ก็ไม่ได้แต่มันก็มี มีลักษณะเฉพาะของบุคคลอยู่เหมือนกันบางคนทานน้อยหรือว่าอดอาหารแล้วสมาธิดีธรรมราคะไม่มากก็ผิอสงบได้ดีก็มีแต่บางคนอดไปก็ยิ่งทุกข์ก็มีแต่คงโยมอาจจะทานน้อยก็อาจจะดีนะทำให้ภาวนามีความเบาสบายก็ดีแต่ก็ไอที่มันไมบไม่เบาก็ไม่เป็นไรนะก็ให้เห็นมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกัน ยางข้อปรด็ทางเดินังปุ่มที่สุดค่อนข้างสบายก็จะเน้นันเดินแต่ว่าที่เดินไปแล้วขึ้นปุมธรรมชาติไปก็จะเผลอเผลอหลุดไป่ะแล้วก็มีฟูมบ้างแต่ว่าก็จะกลับมารู้สึกตัวได้ค่อนข้างเลยส่วนข้านั่งมัจะทำให้ เ่องง่ายคืเหมือนว่าเขาเพ่แล้วมันก็จะเนื่วงแต่แต่ลงเข้าไปในความเนื่องึืนได้ได้ง่ายคือก็จะใช้วิธีเกาะตาไปรอบๆ แ, แล้วก็มันก็ไม่เผลอแบบหยุดสร้างชงหวัดในบางช่วงแต่ว่าก็ไม่ถึงสบหลักก็จะกลับมา20ตัวแล้วก็มีบางชงหวัดมีแมลงปวนนะคะก็ลองดูแมงปวนก็เลยพยายามติดใจเลยว่าเรา เรางพานเรารู้สึกดีใมแต่มันจับรู้สึกนี้ทําให้เราตื่นตัวตลอดเวลาแต่เทียบระหว่างั่งกับเดินรู้สึกนั่งมันมันตำหนักแล้วทําให้เราเพ่ง ม, มากกว่าการเดินอืถ้าเราสังเกตตัวเองแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจารยแนะนําถ้ามีใหม่ก็อาจจะเดินเป็นหลักก็ได้เดินเป็นหลักจะดีดตรงอาจารย์ามาเอง ใหม่ๆก็เดินเป็นหลักถึงตอนนี้ก็ยังชอบเดินเป็นหลักมากมากกว่าเพราะว่าเดินแล้วสึกผ่อนคลายเลยได้ดีก็ทำในรูปแบบที่เราถนัดเป็นหลักก็ได้เพราะว่าถ้าทำแล้วเพ่งแล้วเครียดบางทีมันมันก็ไม่สบายเนาะก็ทำไว้ตอนที่เราเดินเหนื่อยหรือด่าจริงๆก็ก็มายกมือก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสติพอมันพัฒนาไปเรื่อยแมันก็ ในรูปแบบไหนท่าไหนมันก็จะก็จะวางใจได้ดีขึ้นเองไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องเพง่งก็ดีละที่เรารู้ว่าถ้านั่งแล้วเราอาจจะเพง่งหรือว่าเครียดได้ง่ายก็ดีละบางคนไม่รู้ตัวอืม่าได้ได้ได้ที่จริงภาวนามัมนอะไรเนาะ แค่เคลื่อนไหวแค่ลูกตัวแค่ทำอะไรมันก็สามารถรู้สึกตัวได้นือนรู้สึกตัวได้ทั้งหมดนี่แหละดีอ่ะยิ่งมพูดเขาไงมปฏิบัติปฏิบัติงานปฏิบัติงานปฏิบัติงานอย่าทีนะ เมื่กี้อยากฟัง <laughs> วันนี้วันนี้เปลี่ยนที่ปฏิบัติครับอาจารย์คือสังเกตตัวเองตั้งแต่เมื่อวานกับเท้านี้ครับคือที่กดทางตรงกรมจะระยะประมาณแค่เจ็ดปดเก้ามันกลับตัวบ่อยครับผมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการเวียนหัวก็เลยจะเวียนสังเกตตัวเองว่าเวียนหัวเร็วมากครับ ก็เลยมาปฏิบัติที่ศาลาแล้วก็อ่าวันนี้จะเห็นภาวะที่มันแตกต่างกันชัดๆสองสองภาวะสองอารมณ์คือช่วงแรกเนี่ยมันเหมือนกับมันมีความคิดแล้วก็ความง่วงที่เหมือนกับเป็นเป็นถุงมาคลุมเราอยู่อะ mm hmm. แล้วเวลาเราก็ยังรู้ตัวอยู่แต่ว่าความรู้สึกตัวมันเหมือนจะไม่ชัดแล้วมันก็จะเหมือนกับ อไหลเป็นเนื้อเดียวกับไอ้กับพวกความคิดแล้วก็ไอ้ตัวความง่วงอรัมันมีความง่วงอยู่แต่ว่าเราก็ยังรู้ในจังหวะของก้าวก้าวแต่ว่ามันก็มันแบ่งกันประมาณสามสิบเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ทํำไปรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปเรื่อยๆมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบอยู่ๆเขาก็ เหมือนตื่นตื่นขึ้นมาเองแล้วก็ความง่งกับความคิดมันก็เหมือนกับจะน้อยลงทําให้เรากลับมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวได้มันชัดขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะฮะแล้วก็เหมือนกับไอ้ถุงที่มันคลุมเราอยู่มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับก็แล้วหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกแบบเหมือนใจมันมีกําลังขึ้นมาแล้วก็ก็รู้สึกตัวได้สองเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็น จิตใจสองอันที่แบบแตกต่างกันคือถ้ารู้สึกว่าถ้าเป็นแต่อีกอันหนึ่งที่เราเห็นที่ผมเห็นก็คือว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมอาจจะชอบอันนึงแล้วก็ไม่ชอบอันนึ่งอะไรเงี้ยอืมไปไม่ชอบไปตอนที่โดนถุมคลุมอยู่ว่ามันไม่ชัดมันไม่แต่แล้วก็ไปชอบอันที่มันมันตื่นมันสบายอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันพอตอนเช้าก็เออตอน ตอนที่ดีก็เอออะไรอย่างเงี้ยะก็เหมือนกับเป็นธรรมดากับมันมากขึ้นดีครับดีและใจที่เป็นกลางกับมันนั่นแหละดีดีที่สุดเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าดีที่ที่ชัดไม่ดีที่ไม่ชัดใจที่เป็นกลางกับทั้งชัดแล้วก็ไม่ชัดนดั่นแหละใจที่ดีแต่ตอนเดินท่านโอเดินเวลาเรากลับตัว กลับซ้ายทีขวาทีไหมหรือว่าเดินแบบกลับแบบวนๆกลับด้านเดียวกันถือว่าหันาไปทางเดียวกันอ๋อหันหน้าทางเดียวกันก็ซ้ายทีขวาทีหันเอาก็ยังเวียนหัวอยู่นะอืมก็ไม่เป็นไรก็หาที่เดินใกล้ๆแต่ผมถ้าถ้ากลับท้ายทีขวาทีเดินใกล้ๆก็ก็ไม่เป็นไรแต่อาจจะลอง มัวทักลับแล้วอาจจะทักมันอาจจะหยุดสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยเดินก็ได้บางทีเรากลับแล้วมันถ้าเรารีบเดินก็มันอาจจะอะไรเนาะมีความบินเวียนง่ายๆก็อาจจะหยุดนิดนึงตั้งหลักแล้วค่อยเดินต่อก็ได้ถ้าถ้ามันบางทีมันจําเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเลือกได้แล้วก็เลือกที่ยาวๆขึ้นหรือปมขึ้นก็ได้ค ล, ลองเลยก็ดีแล้วครับใจใจเป็นกลางกับอารมณ์เนี่ยดี <c oughs> ไม่จริงอะไรไหมอืมก็นะก็ภาวนากันก็ก็อย่างนี้ฮะเจออารมณ์อะไรก็ก็ยอมรับอย่างที่เขาที่เขาเกิดขึ้นจริงนั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นความง่วงจะเป็นความฟุ้งว่ามันจะดีหรือไม่ดีถ้าใจเรา เป็นกลางกับมันจริงๆนะมันก็มันก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าใจเราไม่เป็นไม่เป็นกลางกับมันนะใจเราทุกข์นะใจเรามีที่รักมีที่ชังนะใจมันจะทุกขนะ์เราดูอย่างที่มันเป็นนะถ้ามันเป็นแบบนั้นแนละ้วเราก็แม้จะความรู้สึกไม่ชัดนะแต่เราก็ทำความรู้สึกไปเรื่อนยะเดี๋ยวมันก็ออกของมันเอง ตอนที่มันออกมันสว่างแล้วก็มันก็ธรรมดาของมันก็ย่าไปดองดีใจนะบางครั้งภาวนาแล้วตัวเบาใจเบาหรือว่าโอ่งโล่งสบายหรือว่ารู้ตัวชัดเจนแล้วก็เราก็รู้แล้วก็ทิ้งมันเหมือนกันนะอย่าไปยึดมันเหมือนกันอย่าไปประคองตัวรู้ตัวประคองสภาวะที่มันที่มันสบายตอนนั้นก็รู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็รู้ทิ้งรู้ใหม่ไปเรื่อยไอ้ตอนนี้มันจะเป็นความฝึกตัวที่มัน มันเกิดขึ้นจริงบางทีถ้าเราภาวนาเราไปประคองอาการนะบางคน อ, อยกมือจังหวะขนาดนี้เดินจังหวะขนาดนี้แล้วมันรู้สึกดีก็พยายามประคองอาการนี้ต่อไปเรื่อยๆ อ, อการวางหน้าวางตาเคยขนาดนี้ถ้ามันพอดีก็ก็บล็อกตัวเองอยู่ในท่านั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความไม่ปกติไม่สบายนะ อ, อ เราไม่ต้องไปกังวลว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นจริงหรือว่าได้มานั้นมันจะหายไปไหนนะมันหา ย, ยู่แล้วเป็นธรรมดานะแต่เรารู้ทันใหม่นะเราทิ้งไปเลยนะต้องทิ้งหมดนะมึงถึงจะได้ถ้าไม่ทิ้งหมดเนี่ยไปพยายามรักษาเปลความมันได้แต่ของปลอมๆมาแทนทีนะ่ดังนั้นภาวนาเนี่ยอย่าไปเสียดายอารมณ์อารมณ์ดีขนาดไหนก็อย่าไปเสียดายมันนะ ทิ้งไปเลยทิ้งแล้วก็รู้ใหม่ทิ้งแล้วก็รู้ใหม่ถ้าเรากล้าทิ้งอะ่ะมันถึงจะมันถึงจะสิ่งที่รู้เกิดขึ้นใหม่มันถึงจะเป็นตัวจริงแต่ถ้าเราไม่กล้าทิ้งอารมณ์ดีๆนะมันก็มันก็จะอะไรเนาะมันก็จะทําให้เราหลงไปประคองจิตนะไปหรือว่าไปประคองร่างกายให้มันติดธรรมชาติไปนะแต่จริงการบางทีความเพียรชอบนะการประคองรักษาจิต นะฝ่ายกุศลที้มันเกิดขึ้นบ่อยมันไม่ใช่ประพองแบบพยายามแบบคล้ายๆากลัวมันจะหายไม่ใช่แต่จริงก็คือการที่เราสร้างตัวรู้ขึ้นมาบ่อยๆนั่นแหละตัวรู้ที่มันเกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะบ่อยๆนั่นแหละคือการประพองรักษาจิตให้ตั้งอยู่ในความในกุศ ล, ลธรรมหรือว่าตั้งในความรู้ตัวนั่นแหละมันเป็นธรรมที่ที่ถูกทางแวะเนาะคือการทำความเทียม ก็ลองถ้าไปเรื่อยเนะยาะมันจะไปประเมินตัวเองมากเกินไปนะแต่ขอให้ทําความเพียรไปเรื่อยจะทั้งถึงตอนเข้านอนนั่นแหละนะตื่นเช้ามาก็ตื่นเช้าก็รู้ ต, ตัวต่อเลยว่ารู้ตัวว่านอนท่าไหนรู้ตัวว่ามีความรู้สึกอย่างไรในจิตในใจอยู่เนี่ยนะแล้วก็กําหนดการรู้สึกตัวต่อเนื่องไปเรื่อย ถ้าเราสามารถรู้สึกตัวได้ตั้งแต่กลาวันจนะทั่งตอนตอนเข้านอนการตื่นขึ้นมามันก็จะทำให้สติมันก็ต่อเนื่องไปได้ง่ายสำคัญนะตอนก่อนนอนก็ต้องมีสติไปเรื่อยแต่ก็ต้องแบบกำหนดสติแบบธรรมชาติสบายๆนะอย่าไปเพ่งจ้องเกินไปบางทีบางคนกลัวขาดสติก็ ไปตั้งใจรู้ตัวมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นนอนไม่ใช่หลับหรือว่าจิตมันตื่นเกินไปถ้าจิตตื่นเกินไปมันก็ไม่ใค่หลับนะแต่ถ้าถ้ามันจิตมันตื่นของมันเองเนาะนอนไปแล้วก็เหมือนครึ่งรู้ครึ่งหลับเรื่องของมันเลยนะหรือบางทีแล้วก็รู้สึกตัวเล่นๆไปแล้วแต่มันไม่หลับก็ปล่อยมันอย่าไปังวลว่าทาไมไม่หลับอย่าไปกลัวว่า วันพรุ่งนี้จะไม่พักผ่อนไม่พออย่าไปกลัวพรุ่งนี้จะตื่นไม่ทันก็นอนดูไปเล่นนะบางครั้งมันก็เป็นอารมณ์หนึ่งที่มันมันก็มีนอนไม่ดับก็มีหรือว่าตื่นเร็วกว่าปกติก็มีแต่จริงมันก็แสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นเออมันเป็นไฟของมันเองนะะเราก็เพียงแค่รู้มันอย่างที่เป็นก็ใจเป็นกลางกับมันนะการภาวนามันก็เนี่ยไม่มีหลายๆรูปแบบนะ เราก็จะเห็นอารมณ์ตัวนี้ก็อารมณ์พวกนี้แหละเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานนะซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็เรียนรู้ในการวางใจกับสภาวะต่างๆนะมันเกิดขึ้นมาจริงเราก็เรียนรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละเราจะฉลาดก็ต่อเมื่อเราได้เราได้เรียนรู้กับมันนะบ่อยๆนะพอเราเรียนรู้กับมันมบ่อยๆใจเราก็จะ ฉลาดมีปัญญาแือว่าวางใจได้เป็น ก, ากลางกับมันมากขึ้นนะมีแต่รูปมีแต่ประสบการณ์ในการฝึกหัดนี่แหละจะช่วยให้เราวางใจเป็น ก, ากลางกับมันมากขึ้นนะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าไม่ได้ทำด้วยความอยากอะไรนะเราทำเพื่อจุดหมายคือการศึกษาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะไม่ได้ทำด้วยความอยากจะได้ อยากจะรู้อยากจะมีอยากจะเป็นอะไรนะ่ะทําเพื่อศึกษาความจริงเมื่อเราศึกษาความจริงแล้วเดี๋ยวความจริงเขาก็ปรากฏมันก็เปิดเผยขึ้นมาะเหมือนพระเจ้าที่บอกเนะี่ยทําของพระเจ้าเหมือนเปิดของที่ปิดนะ่ะองายของที่ควนะ่ำน่ะเอาส่วนที่ไม่ใช่ธรรมะจริงๆส่วนชีริวเฉือนออกไปแล้วนะที่จริงมันไม่ใช่อะไรเรื่องยากนะแค่ แค่เร า, าหลับตาเราดื่มตาขึ้นมาเราก็เห็นนะอะ่สติก็เหมือนกันเป็นตาในแค่มีสติเราก็จะเห็นความจริงอเป็นการายของที่คว่ํำนะมันไม่ได้เรื่องไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ที่ใกล้ตัว ท, ที่ที่สุดนี่แหละแค่กลับมารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะไม่ใช่เรื่องยากแต่เพียงแต่ว่าทําไปเรื่อยๆเก็บ สะสมความรู้ตัวสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนทั้งจิตใจมันยอมรับความจริงของมันเองเราฝึกเพื่อให้ใจมันยอมรับความจริงจิตใจเนี่ยมันจะว่ามันบริสุทธ์ก็ว่าได้ในมุมหนึ่งมุมที่มันเคยบริสุทธิ์แต่มุมที่มันเคยเกี่ยวข้องกับอารมณ์เกี่ยวข้องกับความคิดมันก็กลายเป็นผ้าที่สกปรกแล้คล้ายๆเหมือนกับผ้าสีขาวเนี่ย จิตใจเราแต่เดิมมันก็เหมือนผ้าสีขาวสะอาดดีนะตอนซื้อมาใหม่ๆน่ะตอนใส่ใหม่มันสะอาดดีแต่พอมาเกี่ยวข้องกับกายนี้เกี่ยวข้องกับโลกนี้มาหลายภพหลายชาติหรือไม่แต่ชาตินี้ก็หลายสีนะมันโดนกีเรเเจตตันหาอุปาทานอะไรต่าง ๆ, ๆทําให้ผ้าขาวมันสกปรก มันเปื้อนมันมอมแแมมนะหน้าที่ของเราก็เพียงแค่เราก็คอยรู้ทันนะรู้ทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นในจิตใจบ่อยๆมันก็เหมือนเป็นการซักผ้าให้สะอาดขึ้นแต่ก็อย่าไปหวังว่าซักครั้งเดียวมันจะสะอาดทันทีเพราะว่าผ้ามันเคยสกปรกมอมแแมมมาหลายปีหลายชาตินะมันก็ต้องซักบ่อยๆต้องทําความรู้สึกตัวบ่อยๆมันถึงจะกลับมาสะอาดเหมือนเดิมนะ เราก็จะรู้เลยว่าที่จริงเนื้อผ้าที่แท้จริงมันสะอาดบริสุทธิ์อยู่มันสกรปรกด้วยเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสตัณหาอุปาทานที่มาติดชั่วข่าวแต่พอเราชาระกิเลสตัณหาอุปาทานออกไปจากจิตใจได้นะ่ะจิตก็กลับมาเป็นปกติสะอาดเช่นเดิมนะแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเมื่อไหร่มันจะสะอาดนะเราแค่รู้สึกตัวแต่ละครั้งเนาะ จิตมันก็สะอาดในตอนนั้นแหละแต่เป็งแต่ว่ามันก็ชั่วขาวก็ทำได้แค่เนี้ยบ่อยๆไปเรื่อยเอยนาะเดี๋ยวเราก็คงพอสมค ว, มควมเรเกิดานานะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยเจอกันอีกทีนะคอืม